เรื่องที่สองมัทธกุณเดลีมานพเพราะเหตุที่จิตผ่องใสบุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปยอมไปสู่สุคติโลกสวรรค์นั่นเทียวเอกนิบาตพระพุทธวจนะอันว่าพราหมณ์ชื่ออธทินาปุพกะอาศัยอยู่ในเมืองสาวัตถีเป็นคนตรณีซับ มีบุตรชายคนเดียวเฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูอย่างดีจะทําเครื่องประดับให้บุตรแต่ไม่ต้องการเสียค่าจ้างกัพรามแก็ทําเองโดยเอาทองคํามาบุให้เป็นตุ้มหูอันเกลี้ยงคําว่ามัถ t แปลว่าเกลี้ยงกุนดลีแปลว่าตุ้มหูบุตรจึงได้ชื่อว่านายตุ้มหูเกลี้ยงแต่บัดนั้นเมื่อนายตุ้มหูเกลี้ยงหรือมัถะกุนดลีอายุได้สิบหกปี เกิดเป็นโรคผอมเหลืองแต่พรามแกเที่ยวไปเสาะหายาสมุนไพรามาต้มเพื่อรักษาเองเพราะความตระนีจนอาการหนักขั้นโคมา่าแกจึงไปตามหมอแต่หมอต่างก็ปฏิเสธที่จะรักษาเพราะว่ารักษาก็ไม่หายพรามแกกลัวว่าญาติญติทั้งหลายมาเยี่ยมบุตรจะเห็นทรัพย์สมบัติข้าวของในเรือนของแกแกจึงหาอาบุตรของแกออกไปนอนที่ชานระเบียงเรือนภายนอก วันนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกสมาบัติตรวจดูซึ่งสัตว์โลกด้วยขายแห่งพระยานทรงแผ่ไปในหมือนจักรวาลร่างของมัทกุลดลีปรากฏแล้วในขายพระยานจึงทรงสเสด็จไปโปรดขณะที่พระพุทธองค์สเสด็จไปมัทกุลฑดลีนอนตะแคงข้างเข้าฝาเรือนไม่อาจแลเห็นพระพุทธองค์ได้แต่ด้วยมหาพุทธานุภาพ ทรงแผ่พระราสมีพระวรากายด้วยฉับพันธ์รังสีแวบหนึ่งมัทกุลดลีลาเห็นแล้วซึ่งพระพุทธองค์ยังใจให้เริ่มใส่แล้วในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้นเมื่อละแห่งคลองจักสุกระทากาละคือตายแล้วเป็นราวกับว่าหลับแล้วตื่นขึ้นไปบังเกิดในวิมานบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอันสำเร็จแล้วด้วยทองประกอบด้วยสสโยน พรมบิดาเผาศพแล้วไปสู่ป่าช้าร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรชายทุกวันวันหนึ่งมัทกุณดลีเทพบุตรตรวจดูซึ่งสมบัติของตนใคร่ครวญอยู่ว่าตนได้เคยทำกรรมอะไรจึงได้สมบัตินี้ก็รู้ว่าด้วยความเลื่อมใสแห่งใจในพระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงลงไปยังโลกมนุษย์พบพระบิดานั่งร้องไห้อยู่ที่ป่าชา้า คร่ำครวนถึงบุตรอยู่มัตตคุณดลีเทพบุตรจึงเข้าไปหาแล้วถามถึงเหตุแห่งความที่ร้องไห้คร่ำครวญ น, นั้นว่าขอให้บุตรที่ตายฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมเถิดจึงกล่าวกับพรามนั้นว่าเรามีเรือนแห่งรถทองคําแต่ขาดล้อรถต้องการพระอาทิตย์และพระจันทร์มาทำเป็นล้อรถถ้าไม่ได้เราคงต้องตายขอพรามจงให้ซึ่งล้อแห่งรถด้วยเถิด รามกล่าวว่าดูก่อนมนุษย์อันว่าท่านปรารถนาในสิ่งที่บุคคลไม่พึงปรารถนาท่านเนี่ยเป็นคนพานแม้ท่านจะตายก็จะไม่ได้ซึ่งพระจันทร์และพระอาทิตย์เทพบุตรจึงกล่าวว่าอันว่าการไปและมาแห่งรัศมีของพระจันทร์และพระอาทิตย์ย่อมปรากฏให้เห็นอยู่แต่คนที่ตายไปแล้วยอมไม่ปรากฏให้เห็นเหตุที่เราต้องการเนี่ยกับความต้องการของท่าน ใครมันคนพาลกว่าครั้นพราหมณ์ได้ฟังก็เห็นจริงว่าตนได้กระทาอาการดังราวกับว่าเด็กร้องไห้อยู่จึงระงับซึ่งความโศกและกล่าวว่าอันท่านรถอยู่ซึ่งเราอันไฟติดทั่วแล้วราวกับว่าอันไฟซึ่งบุคคลรถแล้วด้วยน้ำปเปลียงเที่ยวอันว่าน้ํายังความกระวนกระวายให้ดับแล้วท่านได้นําออกแล้วซึ่งความโศกของบุตร ถอนลูกศอนขึ้นแล้วซึ่งลูกศอนคือความโศกพรามณได้ถามถึงเหตุแห่งการไปบังเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เพราะกรรมอะไรครั้นรู้ว่าเป็นบุตรของตนที่ตายไปแล้วก็ให้สงสัยยิ่งนักว่าไม่เคยได้ทําบุญให้ทานสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนแต่ไปบังเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้อย่างไรและครั้นแล้วเทพบุตร ก็สอนให้พรามยังใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดนั่นเทียวหลังจากนั้นพรามได้ยังจิตให้เลื่อมใสแล้วนั่นเทียวขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะรักษาศีลห้าถวายทานฟังธรรมวันหนึ่งพรามได้นิมนต์หมู่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อฉันพัฒตาหารผู้คนทั้งหลายแตกตื่นมายืนดูเพราะไม่เคยเห็นอาทินาปุะกาเกษฐีผู้มิจฉาทิฏฐิทำบุญเลี้ยงพระหลังพัฒกิจแล้วพรามนั้นจึงเข้าไปทูลถามพระพุทธองค์ว่าการที่บุคคลผู้ไม่เคยกระทำแล้วซึ่งการบูชาไม่ฟังธรรมไม่เคยถือศีลอยู่อุโบสถเมื่อตายแล้วไปบังเกิดบนสวรรค์ ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตยอย่างเดียวเป็นไปได้หรือพระพุทธองค์ทรงตรัสรับรองแล้วทรงอธิษฐานให้มันทะคุนดลีเทพบุตรจงมาพร้อมกับด้วยวิมานนั่นเทียวอันว่าเทพบุตรนั้นมาแล้วด้วยอัตภาพประมาณสามคาวุธ1หนึ่งคาวุธเท่ากับสกิโลเมตรประดับด้วยเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ลงจากวิมานถวายบังคมพระบรมศาสดาอยู่ ทรงให้เทพบุตรเล่าความเป็นไปต่างๆให้ผู้คนทั้งหลายในที่นั้นได้ฟังมหาชนต่างพูดจากล่าวขานว่าอันคุณของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์หนอพระพุทธองค์ทรงตรัสพระธรรมเทศนาเป็นพระคาถาว่าอันว่าธรรมะทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อน มีใจเป็นสภาพประเสริฐที่สุดอันสำเร็จแล้วด้วยใจหากว่าบุคคลมีใจผ่องใสแล้วกล่าวอยู่หรือว่ากระทาอยู่ไซอันว่าความสุขย่อมตามไปซึ่งบุคคลนั้นเพราะสุจริตสามคือสุจริตด้วยกายวาจาและใจนั้นเพียงดังอันว่าเงาอันเป็นไปตามโดยปกติดังนี้ ในการเป็นที่สุดรอบแห่งพระคาถาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย8ปด0 0สี่พันพร้อมด้วยมัทกุลดลีเทพบุตรและพรามอาทินนะปุพกกะต่างบรรลุโสดาบันดุจอันว่าพรา์นั้นหวานแล้วเรียรายแล้วโรปรยปลายแล้วซึ่งสมบัติอันใหญ่เพียงนั้นในพระพุทธศาสนาดังนี้แหละข้อธรรมวิจัย อันว่าจิตอันเป็นไปในภูมิสี่คืออบายภูมิมนุษยภูมิเทวภูมิพรรมภูมิอันบันดิตยอมเรียกว่าใจนั้นหมายถึงกุศลจิตอันเป็นกามาวจรแปดอย่างเรียกกามาวาจรั ก, กุศลจิตแปเป็นจิตกุศลอันยิ่งใหญ่ในกามภูมิคืออบายภูมิมนุษยภูมิและเทวภูมิประกอบไปด้วย สประการแรกคือจิตยินดีในกุศลพร้อมด้วยปัญญาประกอบและไม่ต้องชักนำหนึ่งมีการชักนำหนึ่งจิตยินดีในกุศลไม่มีปัญญาประกอบแต่ไม่ต้องชักนำหนึ่งและต้องมีการชักนำหนึ่งประการที่5ถึง8จิตวางเฉยคือเป็นอุเบกขาในกุศลพร้อมด้วยมีปัญญาประกอบไม่ต้องชักนำหนึ่งมีการชักนำหนึ่ง จิตวางเฉยในกุศลไม่มีปัญญาประกอบไม่ต้องชักนําหนึ่งและต้องชักนําหนึ่งอันว่าความสําเร็จแล้วด้วยใจย่อมมีผลเป็นวิบากกุศลจิตมากน้อยตามลําดับดังกล่าวการที่จะอย่างให้จิตมีกําลังสูงสุดมีความเกี่ยวเนื่องมาจากอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ทั้งหลาย22ประการดังได้กล่าวมาแล้วในเรื่องก่อน อันว่าอินทรีย์เป็นใหญ่ย่อมเกิดเป็นกำลังเรียกว่าพละธรรมะอันเป็นกำลังดำเนินชีวิตมีสีเรียกพละสีได้แก่ปัญญาพละวิริยะพละอนาวัชชาพละคือการไม่กระทำการอันมีโทษและสังคหะพละสงเคราะห์ผู้อื่นด้วยสังฆะวัตถุสได้แก่ทานปิยาวาจาอัตจริยา และสมานตตาพะละห้าธรรมะอันเป็นกำลังแห่งองค์ตรสรู้ได้แก่ศรัทธาภะละวิริยาภะละสติภะละสมาธิภะละและปัญญาภะละพะละห้าของกษัตริย์คือพลังปกครองแผ่นดินได้แก่พาหาภะละหรือกายภะละคือสุขภาพโภคาภะละ คือกำลังพกคสมบัติบำรุงเลี้ยงดูประชากรอมัจจพละคือกำลังแห่งอำมมาตหรือข้าราชบริพารข้าราชการอภิชัดจัพละคือกำลังแห่งกำเนิดคติยชาตและการฝึกอบรมปัญญาพละคือกำลังแห่งความปรีชาญาณอย่างรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ ปัญญาพละเป็นกำลังอันประเสริฐเป็นยอดแห่งกำลังทั้งปวงนำทางกำลังอื่นทุกอย่างอันว่าความเป็นใหญ่จะบังเกิดได้ต้องมีการฝึกฝนและปฏิบัติก่อนปฏิบัติพึงรู้ปริยัติก่อนเช่นร่างกายและจิตใจคือรูปกับนามเป็นขันห้าไม่ใช่สัตบุคคลเราเขาวิปัสสนาภูมิทั้ง6 สติปัฐานทั้งสี่เป็นต้นการศึกษาสิ่งนอกตัวเป็นการศึกษาทั้งโลกที่ไม่มีจุดจบพระโคทิสัตสิทธัตถะทรงเรียนจบสิบปดศาสตร์แต่ไม่มีแม้ศาสตร์หนึ่งที่ทำให้ผนถุกเรียนรู้ทั้งโลกยิ่งเรียนยิ่งทุกข์เพราะว่ายิ่งเรียนยิ่งรู้มากยิ่งมีอัตตาตัวตนมากแต่หากศึกษาเข้ามาที่กายจิตของตน อันกว้างสอบยาวานาคืบนี้มีจุดจบย่อมพ้นทุกทั้งปวงได้เพราะว่าทุกข์มันก็อยู่ที่กายที่จิตนี่แหละมิได้อยู่ที่อื่นเลยและทางที่จะพ้นทุกขก็ต้องพ้นจากกายจิตนี้เช่นเดียวกันสมมุติมันบางวิมุตจงทําให้พ้นจากขันให้เป็นขันทวิมุตอย่าติดอย่าหลงสมมุติสมมติ มันบางวิมุตต์บัญญัติมันบางปารมัติบุญก็บางนิพพานอยู่เมื่อถึงที่สุดของที่สุดแม้บุญความดีทั้งหลายก็ต้องทิ้งต้องละถ้ายัางยึดอยู่ก็ไปไม่ได้เปรียบเหมือนเกาะยึดราวสภา่นั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าอนุปาทานโนปรินิพายติ ความไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมน้อมนิพพานพึ่งปล่อยพึงวางเสียอย่ายึดถืออะไรเห็นได้ยินก็ให้สักว่าอย่ายึดอย่าถือว่าเราเห็นเราได้ยินให้เห็นก็สักว่าเห็นได้ยินก็สักว่าได้ยินไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินเกิดแล้วดับไปแล้ว แล้วก็เกิดใหม่อีกก็ดักไปอีกเป็นกฎของธรรมชาติของโลกเป็นธรรมะที่ทรงไว้คู่โลกพระพุทธองค์ทรงเห็นแล้วนำมาตรัสมาสแสดงอุทุชนคนหลงเท่านั้นที่ไม่รู้แต่พระอริยาสาวกเท่านั้นท่านรู้รู้แล้วก็หลักก็ไม่ทุกข์อยู่กับทุกข์อย่างไม่ทุกข์นี่แหละทางพ้นทุกข์